Sala, tayo damma ku sala, dasa damma aku sala, dasa damma. ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสริการได้เจริญกุศลกันเมื่อคืนกลับไปเจริญก็มาฐานกันได้ไหมเจริญพุทธานุสติได้ไหหรือกลับไปรีบนอนเลยในช่วงที่อยู่นี้ก็พยายามเก็บกุศลให้เยอะๆให้คิดตัวตนเองเนี่ยเป็นเหมือน พ่อค้าเนี่ยพ่อค้าเนี่ยเวลาเข้าไปนะที่ไหนเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาจะทำยังไงถึงจะได้กำไรนี่เราก็เหมือนกันเนาะเมื่อเรามาในเข้ามาในศาสนาของพระพู้มีภาคเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคิดก็คือว่าทำตนเองเหมือนพ่อค้า แต่เราจะมาค้าบุญค้ากุศลใช่หัหยเพราะว่าในศาสนาของพระพุทิพาคเจ้าเนี่ยห่วงบุญห่วงกุศลเนี่ยถ้าฉลาดในการที่จะคิดเนี่ยเราจะได้กุศลค่อนข้างเยอะทำไมในช่วงนี้เราจรึงต้องต้องมามณสิการแล้วก็ต้องมาพยายามทำให้กุศลนี่เกิดมากที่สุด เพราะว่าเราต้องอาศัยกุศลนี่แหละเป็นบาดฐานเป็นข้อมูลในการที่เราจะเข้าสู่กุศลระดับสูงได้ฉะนั้นการที่เราจะเดินเข้าสู่กุศลระดับสูงโดยเฉพาะจุดมุ่งหวบหมายก็คือว่าต้องการโลกุตระกุศลเนี่ยแต่ถ้าหากไม่สามารถเพิ่มพูนโลกิยากุศลให้ถึงความมีกำลังแล้วเนี่ย และกุศลที่เป็นไปในระดับสูงจะเกิดขึ้นในกระแสชีวิตเราได้อย่างไรฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีการที่เราจะคิดนะสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะแปลเปลี่ยนปัจจัยเหล่านั้นให้เป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อกุศลในกระแสชีวิตเราได้อย่างไร นั้นตรงนี้สำคัญมากว่าตื่นมาเราต้องเห็นเราต้องได้ยินเราต้องดมกลิ่นลิ้มรสแล้วก็ต้องสัมผัสถูกต้องคิดนึกตลอดแต่พอเราไปนอนเนี่ยจิตมันก็ลงสู่ผวังนี่ไหมมันก็หลับอันนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะมันหลับแต่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ย แต่ละคนเนี่ยจึงได้เก็บเกี่ยวปริมาณของบุญของกุศลไม่เท่ากันไม่เท่ากันหรอกคนที่มีวิธีคนที่มีหลักในการคิดที่ถูกถ้าพูดอีกทีก็เรียกว่าคนที่ตั้งโยนิโสมนสิการเป็นในทุกๆเรื่องก็คือว่าคิดโดยถูกทางถูกอุบาย แล้วก็คิดโดยสามารถที่ว่าจะสาวหาเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะคิดที่จะปลุกเรา้าศรัทธาวิริยสติสมาธิความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระอริยสงฆ์เนี่ยนะคนที่สามารถที่จะระดมวิธีคิดเพื่อจะให้เกิดความ เชื่อเชื่อมัน่นทีนี้จะบอกก็คือมีศรัทธาเนี่ยเองในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมั่นคงในกรณีที่บอกว่ า, าใช้คําว่าความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยแล้วเขมานั่งคิดว่าตอนนี้ใจของเรายังหวั่นไหวคือสภาพใจของบุุรชนเนี่ย ถ้าเราจะศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยไม่เท่ากันหรือปัญญาของบุตชนเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเหมือนเราเอาเชือบไปย่างลงในมหาสมุทรเวลาเราจะคิดถึงคุณของภาษาสดาใช่ไหมคุณของภศษาสดานั้นเหมือนแม่น้ำในมหาสมุทรที่มีความลึกแปดหมื่นสี่พันยแต่เราจะทำศรัทธา คือความเชื่อมั่นวิริยะคือความเพียรพยายามในการที่จะประคองกุศลรักษากุศลแล้วออกจากบาปเนี่ยเนี่สติคือการตามระลึกได้ย้อนระลึกได้แล้วก็จาได้คิดได้แล้วก็ไม่ฟันเพื่อนเลือนเละอเนเนี่ ย, ยสมาธิก็คือความตั้งมั่นปัญญาคือความเข้าไปรู้เข้าไปเห็นคุณของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ย สภาพของปัญญาสภาพของศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหววิริยะความเพียรสติการระลึกตามระลึกสมาธิคือการตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าปัญญาที่เข้าไปรู้เนี่ยไม่เท่ากันที่ไม่เท่ากันของความเป็นบุรุชนเนี่ยเพราะอุปมาเหมือนกับเชือกที่เราจะไปย่างลงสู่ความลึกของมหาสมุทรนั่นแหละบางคนก็ได้หนึ่งคืบ สองคืบที่จะไปย่างบางคนก็ได้วาหนึ่งสองวาสามวาจนถึงเก้าวาที่ย่างลงเห็นความลึกของหมหาสมุทรทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าเหตุผลที่เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยน้อยก็อยู่ที่วิธีคิดถ้าเราเชื่อคุณของพระพุทธเจ้าน้อย โอกาสที่เราจะเดินตามคำสอนของภาษาสดาก็ได้กระท่อนกระแท่นไม่ต่อเนื่องหรอกฉะนั้นคนที่เขาสามารถคิดและลึกถึงคุณของภาษาสดาได้มากก็อาศัยการเกื้อกูลจากการปัจจัยต่างๆนี่แหละเกื้อหนุนปัจจัยจากการฟังปัจจัยจากการอ่านปัจจัยจากการไข้ควรวิจัยและพิจารณาหรือการประพฤติปฏิบัติถามว่า ในกรณีอย่างการเจริญพุทธานุสติเนี่ยเมื่อเราไปอยู่ณอาสนะเดียวหรืออยู่รวมกันอย่างนี้ถ้ามีกิจกรรมในการที่จะคิดถึงคุณของภาษาสดาบางครั้งก็เป็นการสาธยายอันนั้นเป็นการเจริญพุทธานุสติเนะหรือการฟังที่เกี่ยวกับพุทธคุณกถาอันนี้เป็นเกี่ยวกับการเจริญพุทธานุสตินะอยู่ที่เราจะส่งใจตามไปกับเสียง พระธรรมหรือการสาธยายหรือไม่ถ้าไปอยู่ณอาสนะเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยตรงนั้นแปลว่าได้ข้อมูลแล้วถ้าไม่ได้ข้อมูลเราจะต่อวิธีไข้ควรและตั้งกระแสจิตอย่างไรมันก็ไปตีบตันอยู่แค่ตรงนั้นแหละแล้วอะไรคือความลึกซึ้งในคุณของพระศาสดาอะไรคือความเชื่อมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระศาสดา กระแสจิตมันก็เดินไปไม่ได้มันก็ไปติดอยู่งั่นแหละก็ติดอยู่ใช่ไหมมันมีเหมือนมีมีแม่น้ําขวางอยู่หรือทะเลขวางอยู่หรือว่าภูเขาขวางอยู่หรือว่ากําแพงขวางอยู่ความคิดมันก็ทะลุไปไม่ได้แต่การสืบค้นข้อมูลเนี่ยเป็นการทําให้กระแสจิตของเรานั้นเนี่ยโลดแล่นเดินไปตามในคุณของพระศาสดาเป็นต้นได้ฉะนั้นคนจึง ปุโรชนนี่นะจึงศรัทธาพระาศาสดาไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันหรอกบางคนจึงมีความเชื่อมั่นมีความเพียรมีสติมีสมาธิและปัญญาที่เห็นคุณของพระาศาสดาได้มากและได้ยาวบางคนคิดได้แวบบ๊แบๆบแค่นั้นแหละเพราปิดหนังสือก็ลืมพอหยุดสายทายก็ลืมเนี่ยนะ หรือไปนั่งอยู่คนเดียวก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกเพราะว่าข้อมูลข้อมูลเราไม่มีนั้นคนที่เขาสามารถเข้าใจคุณของภาษาสดาได้เนี่ยแปลว่าเขามีข้อมูลบางครั้งบทเดียวเนี่ยแต่เขาคิดได้เยอะเช่นคำว่าอะรหังเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยเขาก็รู้จักกิเลส ว่าราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงมานะความเยื่ยยิ่งถือตัวทิฐิคือความมิเห็นผิดอหิริกะไม่ละอายต่อบาปอนุตตะปะไม่เกรงกลัวต่อบาปอุทะจ่าคือความฟุ้งซ่านเขารู้จักกิเลสเขาก็มาสังเกตรกระแสจิตของเขาว่าภาษาสดาหมดราคะแต่เขามีอยู่การสืบค้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ย ก็จะเริ่มเข้าใจคําว่าอลาหังเป็นพวกไรจากกิเลสหรือกรณีที่ภาษาสดาเนี่ยไกลจากคนชั่งไกลจากอาสัตบุรุษแต่อยู่ใกล้กับคนดีอยู่ใกล้กับสัตบุรุษเนี่ยก็เห็นชัดถ้าตอนนี้เราทําจิตของเราให้เป็นไปกับไกลถ้าเรากระทาชีวิตของเราให้เป็นไปกับกายยะโทจริธทธวจีโทจริธทธมโนโทจริธทรธท เรากับกายเป็นอาศัตรูหลุดนะตอนนั้นเราก็เชื่อว่าเราอยู่ไกลแสนไกลจากพระศ า, ศาสดาทันทีเนี่ยนะทีนี้เราก็ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราอยู่ใกล้พระศาสดาเราจะปลอดภัยเราจะไม่กล้าทำทุจริตทางกายนะเราจะไม่กล้าทำทุจริตทางวาจาหรอกและใจเราจะไม่ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็จะไม่เห็นผิดเพราะเราต้องการจะอยู่ใกล้ชิดพระศาสดาใช่ไห คำว่าเป็นอุบาสกคำว่าเป็นอุบาสิกาเนี่ยแปลว่าผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้ชิดนั่งใกล้ชิดเนี่ยแปลว่าตัวใกล้ชิดแต่ท่านขับเน้นที่ใจใจที่ไปใกล้ชิดพระศ า, าสดาเาพระศ า, าสดาจะให้ใครใกล้ชิดให้สัตว์บุรุษให้คนดีฉะนั้นเราก็มาดูเราใช่ไหมว่าสุจริตสามเราเดินดีไหมถ้าสุจริตสามไม่แข็งแรงเรากลายเป็นผู้ที่อยู่ไกลแสงไกลจาก ภาษาสดาแล้วอะไรคือความเชื่อมัน่นแล้วอะไรคือการขยับเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเมื่อเราอยู่ไกลพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองอะไรเรา <c oughs> ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้ไที่พึ่งและไม่ได้เครื่องกำจัดภยัยไม่ได้ที่เป็นไปในเบื้องหน้าอันนี้แปลว่าอะไรไม่มีสารณะใช่ไหมฉะนั้นคนชั่วทั้งหลายนี่เนะ คนที่ทำทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้อบรมกายคนที่ไม่ได้อบรมศีลคนที่ไม่ได้อบรมจิตคนที่ไม่ได้อบรมปัญญาคนที่ไม่เห็นธรรมคนที่ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นธรรมไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ปฏิบัติตามไม่เชื่อตามอย่างมั่นคงในพระศาสดาบุคคลประเภทนี้ ชื่อว่าอยู่ไกลจากพระศาสดาเนะแล้วไหนละความเป็นอุบาสกแล้วไหนความเป็นอุบาสิกาของเราที่จะได้อยู่ใกล้ชิดแนบสนิทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้แค่รูปแบบเอาเรามาใส่ชุดขาวสวดมนต์แต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านใจเราเกิดกำหนัดขัดเคืองใจเราเกิดความลุ่มหลงมัวเมา ถ้าใจเกิดความกำหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งความกำหนัดเมื่อออกมาทางกายเรียกว่ากายทุจริตด้วยถ้าพูดออกมาทางวาจาวาจาก็เป็นทุจริตด้วยใจไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งความขัดเคืองตอนนั้นใจก็เป็นมโมทุจริตพูดออกมาก็เป็นวจีทุจริตทาออกมาก็เป็นกายยโจริตถ้าใจนั้นเป็นไปกับความุ่มหลงมัวเมา กายวาจาที่แสดงออกมาก็เป็นทุจริตสามลักษณะอย่างนี้การอบรมกายอบรมศีลไม่มีโอกาสและก็เชื่อว่าเราเดินคนละทางกับพระาศาสดาแล้วปริมาณของกุศลก็ไม่เพิ่มเลยถามว่าเวลาเรามาเจริญกุศลเนี่ยเราต้องการให้กุศลทุกประเภทเนี่ยได้ออกกำลังเพื่อต้องการทำให้กุศลนั้นแข็งแรง แต่ไม่ใช่เพื่อมาทําให้โลภะโทสะหรือบาปเนี่ยมันมีกําลังใช่ไหมอะไรเกิดในจิตได้มากไอ้นั้นก็ชื่อว่าเขากําลังมาออกกําลังอยู่นะแล้วถ้าหากบาปเกิดมากโลภะเกิดมากโลภะก็มีกําลังโทสะเกิดมากโทสะก็มีกําลังทีน้ำมิท้าเกิดมากทีน้ำมิทาก็มีกําลังอุทธจารพุ่งซ่านเกิดมากไอ้ความพุ่งซ่านก็มีกําลังสงสัยมาก วิจิกิจชาก็มีกำลังใช่ไมว่าสภาพใจเนี่ยมันอยู่ที่เราจะให้เกิดเราจะให้อะไรมีกำลังจะให้กุศลมีกำลังก็ได้มันอยู่ที่ไหมเนี่ยยอมเดินบ่อยๆยอมก็แข็งแรงจริงไหมเนี่ยเดินกลับไปกลับมาบ่อยๆทีเนี่ยนะเข้าแข็งแรงเลยร่างกายมันยังทาให้แข็งแรงได้เลยแล้วกระแสจิตเนี่ยฝึกคิดให้เป็นกุศลเนี่ยเนี่ยเข้าก็มีกาลัง นั้นคนที่เขาบรรลุธรรมระดับสูงเนี่ยไปจากการที่เขาฝึกเป็นเขาเรียกเรียกฝึกจิตไงฝึกจิตให้เป็นไปกับกุศลเขาถึงเรียกว่าฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจใช่ไหมถ้าหากว่าเรามาหน้าที่ตรงนี้แต่สภาพจิตของเราไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยการฝึกในการเจริญกุศลแล้วนิ้กุศลก็อ่อนแออีก ที่สุดจริงๆกลับไปก็กลายเป็นคนที่อ่อนแอทางด้านความคิดก็หมายความว่าบาปเกิดได้ง่ายมากคนบางคนลองคิดดูนะว่าเขามาพูดดีก็โลภเขามาพูดไม่ดีก็โทสะถ้าเขาเฉยๆก็โมหะแล้วอะไรละมันเห็นไหมชีวิตของเรามันทํำไมอยู่อย่างงี้อย่างนี้เชื่อว่าพัฒนาไหมไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาไม่ขัดเกลาใดๆเกิดขึ้นมาเลย ฉะนั้นถามว่ากิจกรรมเนี่ยดีอยู่แล้วที่รูปแบบในการสวดมนต์ทำวัดฟังธรรมเจริญกุศลนี่นะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ขับเคลื่อนกุศลที่อยู่ภายในให้เดินอย่างต่อเนื่องทุกเรื่องเนี่ยต้องเป็นเรื่องการเจริญกุศลทั้งหมดเนีเข้าห้องน้ำให้ได้กุศลอย่างไรกินอาหารให้ได้กุศลอย่างไรตักบาท ให้ได้กุศลอย่างไรนั่งยืนเดินนอนกิจกรรมทุกเรื่องเนี่ยถ้าคนฉลาดคิดก็สามารถเก็บเม็ดของกุศลได้ปริมาณหาประมาณมีได้แต่ถ้าเราคิดไม่ถูกมันจะได้กุศลเป็นระยะระยะแล้วแต่บาปจะอนุญาตให้บุญเกิดจะทําบุญให้เกิดแต่ละทีต้องขอร้องบาปใช่ไหมอันนั้นแปลว่าอ่อนแอมาก เราต้องสร้างกุศลจิตเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าอากุศลจนชนิดที่ให้อกุศลมันร้องไห้เวลามันอยากจะมาเกิดในใจเราบอกขอเกิดสักหน่อยเถอะเราไม่ได้เกิดในกระแสวิธีคิดของคุณมานานแล้วทํำงั้นได้ไหมอันนี้รู้สึกปัญญาจะร้องไห้เอา น, นเนี่ยใช่ไหมอยากจะมาเกิดในจิตทั้งแต่ละครั้งนี่เกิดไม่ได้ เข็นแล้วเข็นอีกก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรามาันสาิการพลาดเราคิดว่าการเจริญกุศลเนี่ยมันเป็นระยะไงเช่นตอนเนี้ย เ, เป็นเรือนตอนเจริญกุศลแล้วแต่ถ้าเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยปล่อยตามสบายหรือเดินเล่นก็สบายมองไปซี่ต่างๆก็ไม่ต้องให้บุญเกิดแล้วเพราะเราต้องการปฏิบัติธรรมแบบเป็นระยะระยะจริงไหม แล้วไปกินอาหารแล้วก็อุ้ยช่วงนี้เราพักและกินอาหารช่วงนี้เรานอนเนี่ยช่วงนี้เรานอนแล้วไม่ต้องให้บุญเกิดก็ได้นี่เพราะเป็นช่วงพักผ่อนของเราถามว่าเราไปคิดว่าช่วงพักคือพักกุศลถ้ากุศลพักแล้วอะไรเกิดแทนอกุศลก็เกิดแทนบาป ก, ก็เกิดแทนฉะนั้นการเจริญกุศลนี่พักได้ไหมพักไม่ได้ ย, ยกเว้นหลับเพราะหลับเป็นประวังไงตื่นขึ้นมาต้องคิดหากุศลตลอด ถ้าทำอย่างนี้โอกาสบรรลุมีไหมมีถ้าเป็นแบบนี้เอาเหมือนคนบอกว่าเขาจะประกอบชีวิตของเขาให้ประสบความสาเร็จในทางโลกเนี่ยเขาคิดตลอดแล้ววันหนึ่งเขาก็มาประสบความสาเร็จได้จริงๆด้วยนี่ก็เหมือนกันเขาคิดตลอดนะว่าทำอย่างไรเขาถึงจะได้บรรลุทาทำอย่างไรเขาถึงจะยืนอยู่บนแท่นของกุศลได้อย่างแข็งแกร่ง เมื่อเขาสามารถยืนอยู่บนกุศลได้อย่างแข็งแรงแล้วเนี่ยแปลว่าสภาพกุศลสภาพใจเขาเนี่ยถูกฝึกมาอย่างดีแล้วเขาก็จะไม่อ่อนแอเขาจะไม่เป็นธาตุของกิเลสอีกต่อไปทีนี้บอกว่าโอ้ ย, ยอมต้องกินยามามันก็จะง่วงจะเพียเป็นธรรมดาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ฝึกจิตผิดแน่นอนอยานั้นเราฝึกผิดแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้น ถ้ากุศลจกไม่จกไม่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของกุศลจะเป็นธรรมชาติที่มีความผ่องใสและล่าเริงและเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นด้วยแล้วก็เป็นสภาพที่มีความสุขอยู่บนสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยทุกข์เออกุศลจะเป็นอย่างนั้นนี่กําลองสังเกตใจเราตลอดที่เราอะเราได้กุศลจริงหรือไม่ไม่ใช่ตั้งอยู่บนความหงอยเหงาเศร้าซึมไม่ใช่เลยสภาพกุศลนั้นต้องกระตือรือร้นไหม ต้องอาหารต้องอาหารรต้องลา่าเลิมต้องผ่องใสเห็นคนตายเนี่ยที่เขาเกิดสังเว่าญาณเนี่ยคือปัญญาที่ไปพิจารณาแล้วเขาสะดุง้งสะดุ้งว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วที่เขาจะมาอยู่กับบาปอย่างนี้ไม่ได้แล้วโอกาสเขาพลาดเน่ยสูงมากฉะนั้นอย่างเนี้ยเขาเรียกสังเวชาญาณ คือยานปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันสะดุ้งมันเกิดความอาถรรพ์ขึ้นในใจว่าเขาจะไม่ยอมจมปักอยู่กับโทมานัดแล้วจะไม่ยอมจมปักอยู่กับวิถีชีวิตแบบเดิมๆแล้วเขาจะต้องอาถรรพ์มุ่ง ม, มั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุเพื่อถึงเพื่อทําให้แจ้งนี่ไง อย่างนี้เขาเรียกว่าสังเวชยานะตัวยานปัญญาเนี่ยไปพิจารณาแล้วสะดุ้งสะดุ้งไหมเอาเห็นคนเกิดเนี่ยสะดุ้งไหมโอ้ยน่ารักนี่ไม่ใช่เลยเอาเห็นเด็กเกิดนี่สะดุ้งไหมอ่ะสะดุ้งยังไงอ่ะเวลาเห็นเด็กเกิดเราพ้นหรืยังเด็กที่มันดิ้นอยู่บนเบาะบนฟูกอะ่ะ ดิน ง, งอแงงอแงอกร้องเขาบอกอะไรเราเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเรามีเท้าเราก็ลิกเดินได้เหมือนท่านเนี่ยมีมือหยิบช่วยอะไรก็ได้มีปากพูดจาอะไรก็ได้ทำกิจอะไรได้หมดตอนนี้ท่านทั้งหลายดูเราดูเราไวเรามีมือมีเท้ามีปากเนี้ยอวัช ต่างๆเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเราไม่รู้บุญรู้บาปเลยเราร้องเราหัวเลาะ อ, อะไรต่างเราไม่รู้เลยว่าเป็นโลภะโทสะโมหะนี่ยังไงเขตที่เราต้องเป็นอย่างนี้เพราะเพราะอะไรเพราะวกความที่เรายังระราคาโทสะละบาปอากศุศลไม่ได้ท่านทั้งหลาย ท่านก็นยระมาท่านกน็เพราะท่านก็นยังไม่พ้นจากฐานะที่จะต้องมาเกิดเหมือนเรานี่ยนะเด็กเขาบอกเราอย่างงั้นนะแต่เราอ่านอัดถาไม่ออกอ่านเนื้อความไม่ออกอ่านความหมายไม่ออกอา้าวพอโตขึ้นมาหน่อยเห็นคนกําลังมัวเมาสนุกสนานไว้ลื่นเลิศตอนนี้เราอายุมากเขาเล่นหัวเนี่ย เราก็ไม่รู้พวกนี้กําลังมัวเมาเป็นวัยแห่งการสุกส่วนวัยแห่งการเล่นวั ย, ยเป็นใบกระบาบเป็นส่วนใหญ่เขาบอกอัถาบอกเนื้อความเราแล้วก็อ่านไม่ออกอีกว่าเรายังไม่พ้นจากอัตรภาพนั้นพอเห็นคนแก่ยังไม่เห็นคนแก่ลุกก็ลาบากนั่งก็ลําบากแล้วก็ถามเออเป็นยังไงก็คุยกันไปเรื่องอื่นหมดแหละแต่เราอ่านอัถาของคนแก่ไม่ออกนะว่า สภาพโค้งงอแห่งสรีละตามืดมัวหูเริ่มตึงสรีละเหยื่วย่นสติปัญญาเริ่มเลอะเลือนใช่ไหมตรงนั้นเราก็ไม่เห็นอัถาของฉลาดของความแก่เพราะไม่เห็นว่านั่นแหละเขาบอกอะไรเราแต่ก่อนเราก็คล่องแคล่วเหมือนท่านนี่แหละแต่ตอนนี้ท่านทั้งหลาย เพราะโทษจาการที่เราไม่สามารถจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เนี่ยเราจรึงต้องมากลายเป็นคนแก่อย่างนี้แหละแต่ท่านอย่าประมาทนะเพราะท่านก็นยังไม่พ้นจากฐานะแบบเราเหมอนกันเห็นคนเจ็บก็ไปวิจัยแบบนี้เขาจะคุยเรื่องอื่นร้องโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เขาบอกอะไรเราเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงโทษของการพ้นไม่ได้เนี่ย และท่านก็ยอย่าประมาทเพราะท่านก็ยอย่าจะต้องมาเจ็บอย่างเราเห็นคนตายก็เป็นลักษณะอย่างเนี้ยถ้าคนคิดออกเนี่ยทุกเรื่องจะเป็นนิมิตบอกหมดเลยใช่ไหมให้เกิดสังเวคะได้หมดไหมให้เกิดสังเวคญาณาได้หมดเลยฉะนั้นปัจจัยที่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วๆไปเนี่ยถ้ายิ่งเห็นคนทําบาปทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยแก่สังเวคญาณนะจะทําให้เรานั้นเชื่อมั่นแล้วมีความรัก พระพุทธเจ้ามากขึ้นว่าพระาศาสดาเนี่ยชี้วิธีคิดบอกข้อมูลในการให้เราไม่ลวมหลงไม่มัวเมาไม่ลื่นเลงในปัจจัยรอบด้านทุกเรื่องนี่ไงพระาศาสดาจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่เป็นครึ่งหนึ่งนะเป็นทั้งหมดเลยนะจึงเป็นเครื่องนำทางเราจริงถ้าไม่มีพระาศาสดาบอกนี่นะ เราจะเดินผิดเดินถูกที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ตลอดนั่งก็ไม่รู้จะคิดยังไงเนะ น, นี่ยมนุษย์ขนานนั้นเลยนะยืนก็ไม่รู้จะคิดยังไงเดินก็ไม่รู้จะคิดยังไงนอนก็ไม่รู้จะคิดยังไงไปกินอาหารก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรพูดจากับบุคคลอื่นก็ไม่รู้จะมาเทศการไม่รู้จะคิดยังไงทุกเรื่องเนี่ยพระศาสดาจะบอกหมดนะถามว่าใครบ้างบอกเราทุกเรื่องจนถึงว่าบอกขนทาง เพื่อจักปรินญพานเี่มีใครมีใครที่จะเชือหนุนและอนุเคราะห์แล้วก็หวังดีปรารถนาดีกับเราเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกไม่มีเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราควรรักควรเชื่อมั่นและควรแนบสนิทไว้ในพระพุทธเจ้าจริงๆใช่ไหมถ้าบุคคลอื่นก็ฟังหูไว้หูไวแต่ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยต้องฟัง ว่าท่านผู้นี้ไม่เคยคิดร้ายกับเราเลยแม้เท่าปลายขนทายอยู่ไหมไม่เคยคิดร้ายกับเราเลยแม้เท่าปลายขนทายอ่ะยันจะบอกคนที่หวังดีกับเรามากที่สุดไม่มีใครเกินพระเจ้าคนที่ปรารถนาดีกับเราและคนที่กรุณาเรามากที่สุดไม่มีใครเกินพระเจ้าคนที่รักเรามากที่สุดก็มีใครไม่มีใครเกินพระเจ้า ถ้าเรามองไล่ไปตามลำดับเนี่ยเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งเนี่ยก็นับว่าบุญแล้วใช่ไหมแม้ไม่มีใครหวังดีรักเราปรารถนาดีกับเราชี้แนวทางให้กับเราบอกรายละเอียดให้กับเราดีเท่ากับพระาศาสดาเนะ่ยเรามองเห็นไหมพอพูดอย่างเนี้ยพอเริ่มเห็นไหมว่าพระาศาสดาจึงเป็นบุคคลที่น่าเคารพมากที่สุดแต่กลายเป็นบุคคลที่เรา คิดถึงน้อยที่สุดที่ผ่านมาเออทำไมเป็นอย่างนั้นทำาทาไมเราคิดถึงภาษาสดาของเราน้อยที่สุดกลับไปถามตัวเองได้ั้มรู้อย่างเป็นพ่ออะไรพ่ออะไรเออพ่อเราเนี่ยถูกปัจจัยอื่นสอน ไม่ให้เห็นความสําคัญของพระศ า, าสดาใครล่ะมารมันสอนเรามารมันเป็นสิงไข่เนี่ยนะกิเลสมารสิงไครเทพุธมารสิงไครมัจจุมาลขันธมารอภิสังขารมานมันไปนแทรกซึมในในชีวิตของใครเขาก็สอนเราให้หลงทางฉะนั้นเราเนี่ยถูกมารหลอกมานานแล้วเราเลยไม่รู้ผู้มีคุณ และเราเลยไม่รู้ว่าเราจะตอบแทนคุณบุคคลที่มีคุณอย่างไรที่มองไม่เห็นเพราะจักูุของเราเนี่ยมันมันมีทุลีในดวงตาเนี่ยหนาแน่นก็แปลว่าตัวบาปมันแทรกใจเราอยู่ยานปัญญามันไม่เกิดเราเลยตั้งหลักไม่ถูกว่าใครคือผู้มีคุณ มากที่สุดเอาแล้วก็ไปอ่านเนะะก็พระศ า, าสดามีพระคุณมากมีมหากรุณาธิคุณแต่เฉยๆอะ่ะแล้วเฉยๆอะ่ะเอางี้นะว่าถ้าเราไม่รู้พระธรรมจากพระศาสดานี่นะเราก็คือเป็นคนที่มืดหน้ากรุณาที่สุดเราไม่รู้เลยว่าเดินเราจะคิดยังไงไม่รู้เลยกินอาหารจะคิดยังไง ไม่รู้เลยว่าจะจะวางจิตยังไงในทุกสถานะเช่นรูปารมณ์มากระทบเนี่ยก็คิดไม่ถูกแล้วเสียงมากระทบเนี่ยก็คิดไม่ถูกแล้วกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์มากระทบทางทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คิดไม่ถูกแล้วมันมันก็หลอกล่อสิมันก็เหยื่อเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมนล่อก็เป็นกับดักเต็มไปหมดเห็นไห แล้วก็ถูกกลับดักแล้วเนี่ยติดแล้วติดดักติดกลับดักก็ออกไม่ได้เนี่ยออกจากตาหัวจมูกลิ้นกายใจไม่ได้พระศ า, าสดาเห็นว่า น, นี่ไงเธอไปรับข้อมูลของมารไว้ซะเพียบหมดเลยเนี่ยโทษคือเธอไม่เชื่อมั่นพระศ า, าสดาเธอไม่ปล่อยศรัทธาไว้ที่รับมาที่เราไงพอไม่มีศรัทธาก็ไม่ฟังใช่ไหม ไม่เข้าหาไม่เข้าใกล้ไม่ฟังเพราะไม่ฟังจะได้ข้อมูลไหมไม่ได้หรอกแล้วจะมีวิธีคิดถูกได้ไงจากนั้นคนที่เขาได้ข้อมูลเน่ยเขามีศรัทธาพระเจ้าบอกว่าเธอจงปล่อยศรัทธาความเชื่อมั่นมาที่เราเนยให้มีแต่ถาคาตาโพธิศรัทธาเนี่ยบอกมาตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆนะบอกแกเท้าหมหาพรหม ทำไมถึงบอกท้ามหาพรมเพราะสัตว์เนี่ยเชื่อพรมไงพรหมก็บอกว่าท่านทั้งหลายเชื่อพระศาสดาเถอะแม้เรายังเป็นสาวกของพระศาสดาเอา้าเดินไปบูชาพระพรหมเงี้ยซะนี่บูผิดบูชาผิดที่ซะอีกใช่ไหมแล้วก็พระพรมเนี่ยเป็นสาวกของพระศาสดาพระพรมบอกว่า แม้เรานี่แหละเป็นผู้อาาตนาภาษาสดาเธออย่ามาติดที่เราก็ไปนุนพระผมทีโรงแรมเอราวัณใส่ไปหมดแล้วจะทำไงเดีเนี้พระพรมก็บอกว่าเธอไม่รู้หนทางของพรหมที่จริงท่านใช้สำนวนยังไงรู้ไหม ทำไมโง่อย่างนั้นอันนี้พูดอย่างนี้ น, น, น, นี่มีในสูตรนะไม่ใช่ามาบงแต่งเรื่องเองนี้เนะี่ยนางทาไมโง่แท้ว่างั้นเออมาบูชาทาไมมาบูชาเราทาไมพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระธรรมพระรีอสงอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังมางมงายวิธีการอ้อนวอนอีก แล้วก็ไม่รู้ทางเดินของพรหมเขาไปเกิดเป็นพรหมได้เพราะชันสมาบัติไม่รู้วิธีปฏิบัติแม้จะไปเกิดเป็นพรหมแล้วจะมาอ้อนวอนขออะไรแล้วข้าวปลาอาหารเนี่ยพรหมเขากินอาหารทิพย์เราไม่ได้กินอาหารอย่างพวกเธอพรหมเขาบอกอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไปไหว้นูน่นอยู่ยันยอดตึกสันติมิตรีนั่นใช่ไหมขนาดนั้นเลยนะ ท่านเขาต้องการทำไว้เพื่ออะไรเนี่ยต้องการให้รู้ว่าพรห ม, มาลาดานาบุทธเจ้าเข้ามานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยแลเลือกเห็นบุญคุณของพรหมแล้วนึกถึงพุทธเจ้าแล้วก็ไปติดกันตรงนั้นดก็สังคมเป็นแบบนี้จะว่าไงผุาา้เภาต่ะฮะไม่ทันแล้วตอนนี้ พระก็จะตายยอมที่นั่งอยู่นี่ก็ใกล้ตายกันนั่นนั้นใช่ไหมเอาตัวเองก่อนดีเนาะก็ฝึกปลือตัวเองให้ชำนานก่อนอะต่อไปก็เดี๋ยวได้ไปมนฑสิการเวลาจะตัก บ, บาตรกันก็คนที่ไข้ควรคได้มากเก็บบุญได้มากสภาพบุญที่เกิดในใจจะไม่เท่ากันขอมนะูนาได้เป็นเริญกุศลกันต่อ